นะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอ น, นอ้นอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์นั้นฟังธรรมคำพุธธทธอุเทศวิพังคสูตรมั จ, จิมานิกายเล่มที่ส4ข้อที่หร้ยสามสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ประวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตะบินทิกาเศรษฐีในเกตปรตตกรสาปฏี ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอุเทศวิพังแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังอุเทศวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงพิจารณาใกล้ครวญ โดยประการที่เมื่อพิจารณาไกรโกรนอยู่แล้ววิญญาณคือจิตของเธอนั้นอันไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกด้วยอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่พึงสะดุง้งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไป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 ก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปอย่างพระวิหารครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานพิสุททั้งหลายจึงได้มาป ร, รึกษากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่ อ, อกแก่พวกเราและไม่ได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิสดารก็เสด็จเข้าไปยังพระวิหารแล้ว ใครหนอแลจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้ได้ในรายละเอียดได้ดังนั้นแหละปิกิตรเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็ท่านพระมหากัจจานะนี่แหละอันพระศาสดาและผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวิญญูชนยกย่องสรรเสริญแล้ว ก็ท่านพระมหากัจจานะพอจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้พิสดารได้ถ้าไครพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะอย่างที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนั้นกับท่านพระมหากัจจานะเถอจากนั้นภิกษุหลานั้น ก็พากันเข้าไปหาท่านพระมหากัจจนะ a ยังที่อยู่ได้ตะตายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะั่ที่ควรข้างหนึ่งแล้วได้ร้องขอให้ท่านพระมหากาานะัจจ ana ได้ทรงจำแนกข้อความนั้นโดยในรายละเอียดโดยการกล่าวว่าดูก่อนท่านกาานะัจจ ana พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงอุเทศโดยย่ อ, อกแก่พวกกระผมว่าบุคคลพึงพิจารณาใกรกรวนโดยประการที่เมื่อพิจารณาไกรกรวนอยู่แล้ววิญญาณคือจิตของเธอนั้นอันไม่พึงฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกด้วยอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่พึงฉุนรุ่งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไป ไม่สั้นไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในอยู่เป็นจิตไม่สะดุ้งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นหรือมั่นแล้วการก่อตั้งขึ้นแห่งกองทุกข์กล่าวคือความเกิดความแก่และความตายย่อมไม่มีอีกต่อไปดังนี้แล้วไม่ได้ทรงจำแนกเนื้อความในรายละเอียดได้ทรงเข้าไปยังพระวิหารท่านกัจจานะ พวกกบผมจึงได้มาในที่นี้ขอท่านพระมาหากานะโปรดจำแนกเนื้อความนี้เถิดท่านพระมาหากานะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวสาะหาแก่นไม้พึงสำคัญแก่นของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ว่า ควรหาได้ที่กิ่งและใบและเลยรากและลำต้นเสียอุปมานี้ฉันใดอุปไมคยก็ฉันนั้นก็เมื่อพระาศาสดาประทับอยู่พร้อมหน้าท่านผู้มีอายุทั้งหลายแล้วพวกท่านพากันสาคัญเนื้อความนั้นว่าพึ่งสอบถามเราได้ล่วงเลยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสียท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นทรงมีจักสุตมียานมีธรรมมีความประเสรศิฐเป็นผู้ตรัสบอกทรงนำออกซึ่งประโยชน์เป็นผู้ประธานอมตะธรรมทรงเป็นเจ้าของแห่งธรรมทรงดำเนินตามนั้นแล้วก็เป็นการสมควรแก่พระองค์แล้วที่ท่านทั้งหลาย จะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงประยกรแกท่านอย่างใดพวกท่านก็จงทรงจำอย่างนั้นเถิดพิจิตรอนั้นได้กล่าวว่าท่านกัจจานะแท้จริงพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นเป็นต้นแต่ว่าท่านพระมหากัจจานะ อันพระาศาสดาและพวกภิกษุผู้เริ่มประพฤติพรมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนยกย่องสรรเสริญแล้วและท่านพอจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยยอดนี้ให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจานะอย่าทำความหนักใจโปรดจำแนกเนื้อความเถิดท่านบุญมีอยู่ตั้งหลายถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระมาหากาจาน้าแล้วท่านก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศคือหัวข้อไว้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลพึงพิจารณาไกรกรนุนโดยประการที่เมื่อพิจารณาไกรกรุนอยู่แล้ววิญญาณคือจิตของเถตนั้นอันไม่ฟุ้งไปไม่สั้นไปในภายนอกด้วยอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่พึงสะรุง้งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นตัวมั่นภิกษุทั้งหลายเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไป ไม่สั้นไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในอยู่เป็นจิตไม่สะดุง้งพระเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วการก่อตั้งขึ้นแห่งกองทุกกล่าวคือความเกิดความแก่และความตายย่อมไม่มีอีกต่อไปดังนี้แล้วไม่ได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิสดารท่านภูมิอยุตั้งหลาย สำหรับหัวก้อซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อไม่ได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิสดานนี้ข้าพระเจ้ารู้เนื้อความแห่งอุเทศนั้นโดยในรายละเอียดดังต่อไปนี้ว่าท่านผูมีเยู่ทั้งหลายก็คำว่าวิญญาณอันฟุ้งไปช้านไปในภายนอกดังนี้นั้นมีเนื้อความโดยพิสดานอย่างไร คือในกรณีที่กล่าวนี้วิ ญ, ญญาณคือจิตของบุคคลผู้เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นวิ ญ, ญญาณที่เล่นไปตามนิมิตแห่งรูปเป็นวิญ ญ, ญาณที่ยังลงในรสอร่อยคืออาสาทะของนิมิตแห่งรูปผูกพันอยู่ในอาสาทะคือรสอร่อยของนิมิตแห่งรูปประกอบพร้อมด้วยความผูกพัน อยู่ในรถอร่อยของนิมิตแห่งรูปนี่แหละคือข้อความที่กล่าวโดยย่ อ, อว่าวิญญาณอันฟุ้งไปซ้านไปในภายนอกหรือในกรณีที่กล่าวนี้วิญญาณคือจิตของบุคคลผู้ได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิมรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องสัมผัส ด, ด้วยผิวกาย และรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจก็เป็นบัญญาณที่แล่นไปตามนิมิตแห่งธรรมารมเป็นบิญญาณิที่อย่างลงในรสอร่อยของนิมิตแห่งธรรมารมผูกพันอยู่ในรสอร่อยของนิมิตแห่งธรรมารมประกอบพร้อมแล้วด้วยความผูกพันอยู่ในรสอร่อยของนิมิตแห่งธรรมารม์่านบุมียอยุทั้งหลาย คำกล่าวที่ว่าวิญญาณอันฟุ้งไปซ่านไปในปายนอกดังนี้นั้นมีเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้แหละผู้มีเยอะตั้งหลายก็คําอันพระผู้มีพระป่าตรัสว่าวิญญาณอันไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในปายนอกดังนี้นั้นมีเนื้อความโดยพิสดารอย่างไรคือวิญญาณคือจิต ของบุคคลผู้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโภชพาด้วยกายหรือรู้แช้งธรรมรมด้วยใจแล้วไม่เป็นวิญญาณที่แล่นไปตามนิมิตแห่งรูปหรือธรรมรมไม่เป็นวิญญาณที่ยังลงในรสอร่อยของนิมิตแห่งรูป หรือธรรมารมไม่ผูกพันอยู่ในรสอร่อยของนิมิตแห่งรูปหรือธรรมารมไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยความผูกพันในรสอร่อยของนิมิตแห่งรูปและธรรมารมนี่แหละคือข้อความอันพระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่ อ, อว่าวิญญาณอันไม่ฟุ้งไปไม่สั้นไปในภายนอก ดังนี้นั้นมีเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้แหละท่านบูมีอยู่ตั้งหลายก็คำว่าจิตอันตั้งสยบอยู่ในภายในดังนี้มีเนื้อความโดยพิสดารอย่างไรคือในกรณีนี้บุคคลเพราะสงัดจากกามเพราะสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่ง มันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในตมันได้วิญญาณคือจิตของเธอนั้นเป็นวิญญาณที่เล่นไปตามปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นวิญญาณที่ยังลงในรสอร่อยของปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกผูกพันอยู่ในรสอร่อยของปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกเป็นวิญญาณที่ประกอบพร้อมด้วยความปูกพันในรสอร่อยของปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนี่แหละคือข้อความที่กล่าวโดยย่ อ, อว่าจิตตั้งสยบอยู่ในภายในท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเพราะความที่วิตกและวิจารสงบระ ง, งับลง จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้สมาธิเป็นธรรมอนเนกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนิวิญญาณกองเตอานั้นเป็นวิญญาณที่เล่นไปตามปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ เป็นวิญ ญ, ญาณที่ยังลงในรสอร่อยของปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิผูกพันอยู่ในรสอร่อยของปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นวิญญาณที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยความผูกพันในรสอร่อยของปีติและสุขอันเกิดจากสมาธินี่แหละคือข้อความที่กล่าวโดยย่อว่าจิต ตั้งสยบอยู่ในภายในแต่บุญมีอยู่ทั้งหลายก้ออื่นยังมีอีกเพื่อจันนนพระความจาง ก, กลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่เบกกามีสติสัมปชัญญะย่อมสวยสุขด้วยนามกายชนิดที่พระเรียชายตทั้งหลายย่อมกล่าวสันเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่เบกกามีสติ อยู่เป็นปกติสุขจึงบรลุชานที่สามแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้วิญญาณของเธอานั้นเป็นวิญญาณที่เล่นไปตามอุเบกขาเป็นวิญญาณที่ยังลงในรสอร่อยของสุขอันเกิดจากอุเบกขาผูกพันอยู่ด้วยรสอร่อยของสุขอันเกิดจากอุเบกขาเป็นวิญญาณที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยความผูกพัน ในรถอร่อยของสุขอันเกิดแต่อุเบกขานี่แหละคือข้อความที่กล่าวโดยย่ อ, อว่าจิตตั้งสยบอยู่ในภายในธรามบุมมีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเท่านั้นเพราะละสุขและลาทุกข์เสียได้พระความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกร จึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้วิญญาณของเธอา น, นเป็นวิญญาณที่เล่นไปตามอัทุกรรมสุขเป็นวิญญาณที่ยังลงในรสอร่อยของอัทุกรรมสุขผู้พันอยู่ในรสอร่อยของอัทุกรรมสุข เป็นวิ ญ, ญญาณที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยความปู่พันในรถอร่อยของอาทุกขมสุขนี่แหละคือข้อความที่กล่าวโดยย่อว่าจิตตั้งสยบอยู่ในภายในดังนี้ท่านผู้มีอยูตั้งหลายคาที่กล่าวว่าจิตตั้งสยบอยู่ในภายในดังนี้นั้นมีเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้แหละ ก็คำอันพระผู้มีพระภากคกล่าวว่าจิตอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในดังนี้นั้นมีเนื้อความโดยพิสดารอย่างไรคือบุคคลในกรณีนี้พระสงัดจากกรมและสงัดจากอากุศสรธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิชาณมีปีติและสุข อันเกิดจากความวิเวกหรือแตนั้นเพราะความที่วิตกวิจารณ์ระงับลงจึงบรรลุฌานที่สองหรือเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่เบิกขาจึงบรรลุฌานที่สหรือเพราะลาสุขและลาทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกร่อนจึงบรรลุฌานที่สเป็นต้น วิญญาณของเธอนั้นไม่เป็นวิญญาณที่เล่นไปตามอาทุกขมสุขไม่เป็นวิญญาณที่อย่างลงในรสอร่อยของอาทุกคมสุขไม่ผูกพันอยู่ในรสอร่อยของอาทุกขมสุ ข, ไ ม, ข, ออ ข, มสขไม่เป็นวิญญาณที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยความผูกพันในอาทุกขมสุขทัานบูมิเอยู่ตั้งหลาย ค้ามันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในดังนี้นั้นมีเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้แหละก็ความสะดุ้งย่อมมีเพราะเหตุมีความยึดมั่นตือมั่นนั้นเป็นอย่างไรคือในกรณีที่กล่ามานี้ปุทุชนผู้ไม่มีการสดับไม่ได้เห็นพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดในธรรมของพระเหรียเจ้าไม่เห็นสับรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสับรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของสับรุษเขาย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างย่อมตามเห็นซึ่งตนว่ามีรูปบ้างย่อมตามเห็นซึ่งรูปในตนบ้าง ย่อมตามเห็นซึ่งตนในรูปบ้างครันรูปนั้นแปรปรวนไปเป็นความมีโดยประการอื่นแก่เขาวิญญาณของเขาย่อมเป็นวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรนของรูปเพราะความแปรปรวนของรูปได้มีโดยประการอื่นความสรุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรนของรูป ย, ย่อมคราบงามจิตของเขาตั้งอยู่เพราะความเกิดขึ้นแห่งธรรมเป็นเครื่องตาความสะดุ้งนั้นเพราะความยึดมั่นแห่งจิตของเขาย่อมเป็นผู้มีความบาดเสียวมีความคับแขนมีความภาวะผบงและสะดุ้งอยู่เพราะความยึดมัน่นเขาย่อมตามเห็นซึ่งเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณโดยความเป็นตนย่อมตามเห็นซึ่งตนว่ามีเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณย่อมตามเห็นซึ่งเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณในตนบ้างย่อมตามเห็นซึ่งตนในเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณนั้นบ้างครั้นสิ่งนั้นแปรเปรวนไป เป็นความมีโดยประการอื่นแก่เขาวิญญาณของเขาย่อมเป็นวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นเพราะความแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นได้มีโดยประการอื่นก็ความสะดุ้งอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของขันต่างห้าย่อมกราบงามจิตของเขาตั้งอยู่ เพราะความเกิดขึ้นแห่งธรรมเป็นเครื่องตาความสะดุง้งเพราะความยึดมั่นแห่งจิตเขาย่อมเป็นผู้มีความหวาดเสียวมีความคับแกนมีความภาะวะพบงและสะดุ้งอยู่เพราะความยึดมั่นท่านผู้มีอายุตั้งหลายอย่างนี้แหละคือความสะดุ้งย่อมมีเพราะเหตุมีความยึดมั่นถือมั่นก็ ความไม่สะดุ้งย่อมมีเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นตือมัน่นเป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีที่กล่าวมานี้อริยาสาวกผู้มีการสดับได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าเป็นผู้ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าได้เห็นสั บ, บรุทั้งหลาย เป็นผู้ฉลาดในธรรมของสัพพุรุตเป็นผู้ได้รับการแนะนำในธรรมของสัพพุรุตท่านย่อมไม่ตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังการโดยความเป็นตนย่อมไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณย่อมไม่ตามเห็นซึ่งรูปเป็นต้นในตนบ้าง ย่อมไม่ตามเห็นซึ่งตนในรูปเป็นต้นนั้นบางครั้นรูปเวทนาสัญญาสังคารและวิญญาณเหล่านั้นแปรปรวนไปเป็นความมีโดยประการอื่นแก่เขาแต่วิญญาณของเขาย่อมไม่เป็นวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูปเป็นตน้นเพราะความแปรปรวนของรูปนั้น ได้มีโดยประการอื่นความสะดุ้งอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูปเป็นต้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งธรรมเป็นเครื่องทำความสะดุ้งนั้นย่อมไม่ครอบงมจิตของเขาตั้งอยู่เพราะความไม่ยึดมั่นแห่งจิตเขาย่อมเป็นผู้มีความไม่หวาดเสียวไม่มีความครับแค้น ไม่มีความภาวะพวงและไม่สะดุ้งอยู่เพราะความไม่ยึดมัน่นอย่างนี้แหละชื่อว่าความไม่สะดุ้งย่อมมีเพราะเหตุไม่ยึดมั่นถือมัน่นท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยออ่อแก่พวกท่านว่าบุคคลพึงพิจารณาใกล้กรวน โดยอาการที่เมื่อพิจารณาไกรกรนอยู่แล้ววิญญาณของเถ้านั้นอันไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในปายนอกด้วยอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่พึงสะดุง้งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในอยู่ เป็นจิตไม่สะดุ n งเพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถึือมั่นแล้วการก่อตั้งขึ้นแห่งกองทุกข์กล่าวคือความเกิดความแก่และความตายย่อมไม่มีอีกต่อไปดัง น, น, นี้แล้วไม่ได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยในรายละเอียดสเสด็จลุกจากอาสนะเข้าสู่ที่ประทับเสียก็ข้าพเจ้าทราบเนื้อความได้โดยพิสดารอย่างนี้ ก็แลเมื่อท่านทั้งหลายหวังอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลตามเนื้อความนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านทั้งหลายอย่างใดพวกท่านพึงทรงจำคำพยากรณ์นั้นไว้อย่างนั้นเถิดกระนั้นแหละพิสุล่านั้นยินดีอนุโมทนาปาสิทธ์ก่อนท่านพระมหากานะจึงลูกจารสนะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลเล่าเรื่องที่ท่านพระมหาการณนะได้ทรงจำแนกอุเทศนั้นโดยในรายละเอียดทั้งโดยบทและโดยเปยัญชนะในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายมหาการนะเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก แม้หากพวกเธอสอบถามเนื้อความนั้นกับเราเราก็จะพึงพยากรเนื้อความนั้นอย่างเดียวกับที่มหากัจานะพยากรแล้วเหมือนกันก็แหละเนื้อความบูเทศนั้นเป็นดังนี้แหละพวกเธอจงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสปราศิสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างเชื่อชมยินดี ภาษิตของพระผู้มีพระบาเจ้าแหลอุเทะวิพังคสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ